เจริญพรท่านผู้มีจิตเมตตากรุณาใจบุญใจกุศลจุุทุกท่านวันนี้เป็นวันทถถี่ที่สสิบพฤศจิกายนพุทธศักราช2 5 5พราเจเป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาทำบุญให้ทานมารักษาสิ่์ มาปฏิบัติธรรมมาฟังเทศฟังธรรมเพราะเป็นการเตรียมน้ำไว้คอยดับไฟที่จะเกิดขึ้นภายในใจของเราไฟนี้ก็คือไฟแห่งความทุกนั่นเองเหมือนกับบ้านถ้าเรามีเครื่องดับเพลิงเตรียมมาไว้มีน้ำเตรียมมาไว้ เวลาเกิดไฟไหม้เราก็สามารถที่จะใช้เครื่องดับเพลิงนี้ดับไฟได้ทันท่วงทีทำให้ไฟไม่ไหมล้ลามาปใหญ่โตขึ้นไปใจของเราก็เหมือนบ้านที่เราอยู่อาศัยใจของเราบางวันก็เย็นบางวันก็สบายบางวันก็ทุกข์ บางวันก็รุมร้อนวุ่นวายบางทีมันก็หายไปบางทีมันก็ไม่ยอมหายบางทีมันก็หนักถ้ามันหนักมากมากก็แทบอยากจะฆ่าตัวตายเพราะเราไม่ได้เตรียมน้ำไว้ดับความทุกข์ดับไฟของความทุกข์ภายในใจของนั่นเองพระพุทธเจ้าจึงสอน ให้พุทธศาสนิกชนให้หมันมาวัดอยู่เรื่อยๆเพื่อที่จะได้เตรียมเครื่องดับไฟเครื่องดับความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตถ้ามีเครื่องดับไฟแล้วเวลาไฟเริ่มลุกเราก็สามารถดับได้ทันท่วงทีไม่ได้ไม่ปล่อยให้มันลามไป จนเป็นไฟใหญ่โตที่ไม่สามารถที่จะดับมันได้ผู้ที่ไม่เข้าวัดผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเวลาเกิดความทุกข์ขึ้นมานี้จะไม่มีธรรมะมาดับความทุกข์ก็ต้องทนทุกข์ทรมานอยู่กับความทุกข์ไปจนกว่ามันจะ หมดแรงไปหรือถ้าทนไม่ไหวก็อาจจะต้องไปทำบาปทำกรรมเพราะคิดว่าทำแล้วจะดับความทุกข์ภายในใจได้แต่ความจริงมันดับไม่ได้การทำบาปเช่นการไปฆ่าผู้อื่นหรือไปฆ่าตนเองนี้ไม่ได้เป็นการดับไฟคือความทุกข์ภายในใจ แต่กลับจะทำให้ความทุกข์ภายในใจมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นไปแล้วก็จะติดเป็นนิสัยไปเวลาไปเกิดในภพหน้าชาติหน้าเวลาเจอความทุกข์ที่แก้ไม่ได้ดับไม่ได้ก็จะใช้วิธีฆ่าตนเองหรือฆ่าผู้อื่น เราก็ต้องไปตกนรกไปรับผลของการฆ่าผู้อื่นฆ่าตนเองพอกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็จะแก้ปัญหาแบบเดียวกันนี่จึงไม่ใช่เป็นวิธีที่จะแก้ปัญหาการฆ่าตัวตายนี้ไม่ได้ฆ่าผู้ที่สร้างความทุกข์ผู้ที่สร้างความทุกข์ไม่ใช่ร่างกาย ร่างกายไม่รู้อิหนอเนยผู้ที่สร้างความทุกข์ก็คือตันหาความอยากที่มีอยู่ภายในใจต้องฆ่าตัวนี้ต้องจับตัวนี้ไปขังคุกขังตารางเหมือนกับเวลาที่เราขับรถไปชนคนตายตำรวจเขาไม่จับรถไปลงโทษแต่เขาจะจับคนขับไปลงโทษเขาไม่เอารถไปทุบทิ้ง ท, ทิ้งไปก็ไม่ไม่ได้เป็นต้นเหตุของปัญหาต้นเหตุของปัญหาก็คือคนขับรถคนขับรถอาจจะขับด้วยความมึนเมาก็จะจับไปตรวจดูว่ามีปริมาณแอลกอฮอล์อยู่ในเลือดสูงไม่สูงถ้าสูงก็จะรู้ว่าขับรถด้วยการมึนเมาก็จะตั้งข้อหา จะไปลงโทษดังนั้นเวลาที่เรามีความทุกข์ใจขอให้รู้ไว้ว่าผู้ที่สร้างความทุกข์ใจให้แก่เราก็คือความอยากของเราเองเช่นเวลาที่เราสูญเสียสิ่งที่เรารักหรือบุคคลที่เรารักไปเราก็ทุกข์เพราะเราอยากจะให้เขากลับมาอยากจะได้สิ่งที่เรารักกลับคืนมา อยากจะให้เป็นเหมือนเดิมแต่เขาไปแล้วเขาจากเราไปแล้วเขาไม่มีวันกลับมาแล้วถ้าเราไม่ยอมรับความจริงไม่ดูความจริงไม่หยุดความอยากให้เขากลับมาก็จะมีแต่ความทุกข์ทรมานใจไปเรื่อยๆจนกระทั่งอาจจะไม่สามารถทนกับความทุกข์ได้ก็ต้องถึงกับ ฆ่าตัวตายไปฆ่าตัวตายก็ไม่ได้ไปฆ่าตัณหาความอยากที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจฆ่าร่างกายร่างกายมันไม่รู้เรื่องมันไม่ได้เป็นผู้ที่สร้างเหตุให้เราเกิดความทุกข์ใจฆ่าร่างกายความทุกข์ใจมันก็ยังไม่หมดมันเพราะว่าความอยากมันยังไม่หมดนั่นเองวิธีที่จะฆ่าความทุกข์ ก็ต้องค่าตันหาต้นเหตุของความทุกข์มองความจริงมองว่าตอนนี้เป็นอย่างไรตอนนี้สิ่งที่เรารักบุคคลที่เรารักจากเราไปแล้วแล้วเราเอาเขากลับคืนมาได้หรือเปล่าถ้าเอากลับคืนมาไม่ได้ไปอยากให้กลับคืนมาให้ทุกไปเปล่าเปล่าทำไมยอมรับความจริงดีกว่าว่าไปก็ไป คนในโลกนี้ไม่ใช่มีเขาคนเดียวถ้ายัางต้องมีคนใหม่ก็หาได้เวลาเรามาเกิดในโลกนี้เราก็ไม่ได้มากับเขาเรามาเจอเขาในภายหลังตอนก่อนที่เราเจอเขาทำไมเราอยู่ได้ทำไมเราอยู่คนเดียวได้พอเวลาเขาจากเราไปแล้วทำไมเราจะกลับมาอยู่คนเดียวไม่ได้อยู่ได้ไม่มีปัญหาอะไร เพราะชีวิตของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับเขาเขาอยู่หรือเขาเป็นเขาตายก็ไม่ได้ทำให้เราตายไปกับเขาเป็นไปกับเขาสิ่งที่จะทำให้เราอยู่หรือตายก็คือปัจจัยสีคืออาหารเครื่องนุ่งหง่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยถ้าเรามีสิ่งเหล่านี้แล้วเราจะไปกลัวทาไม เราอยู่ของเราต่อไปได้ไม่เดือดร้อนถ้าเราไม่มีพอเราก็หาได้ของพวกนี้หาไม่ยากเราอย่าไปอยากได้ของที่มันไม่จำเป็นเช่นหน้าตาบางทีคนล้มละลายนี่ไม่อยากจะอยู่ต่อไปเพราะกลัวอับอายขายหน้าแาวบ้านเขาแต่ความจริงอยู่ต่อไปได้เพราะ อาหารกินได้เสื้อผ้าก็ยังมีอยู่บ้านก็ยังมีอยู่โรงพยาบาลรักษาสาบาทก็ยังมีอยู่ทําไมจะอยู่ต่อไปไม่ได้ที่อยู่ต่อไปไม่ได้เพราะเสียหน้าเสียตาเคยร่ําเคยรวยเคยมีคนเคารพนับถือพอไม่มีเงินมีทองแล้วก็กลัวจะไม่มีคนเคารพนับถือ ถ้่านั้นเองความกลัวเสียหน้าเสียตาทำให้ถึงกับคิดฆ่าตัวตายนี่เป็นเพราะว่าไม่ได้เข้าวัดไม่ได้มาศึกษาไม่ได้มาฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆถ้าฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆ เ, เราจะได้ยินคําว่าอนิจจงไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกข์อนัตตาไม่ใช่ของเรา อะไรล่ะที่ไม่ใช่ที่ไม่เทีย่ยมที่เป็นทุกข์ที่ไม่ใช่ของเราก็ของทุกอย่างที่เรามีอยู่ในปัจจุบันนี้แหละมันไม่เที่ยมทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นลาบยศสรรเสริญไม่ว่าจะเป็นความสุขที่เราได้จากรูปเสียงกลิน่นรสผูฏฐะมันก็ไม่เทีย่ยมมันมีเกิดมีดับมีเจริญมีเสือ่อม เวลาเจริญเราก็มีความสุขเวลาเสื่อมเราก็มีความทุกข์เพราะอะไรเพราะเราไปสั่งเขาไม่ได้สั่งให้เขาเจริญอย่างเดียวไม่ได้ห้ามไม่ให้เขาเสื่อมไม่ได้ห้ามไม่ให้เขาจากเราไปไม่ได้ห้ามไม่ให้เขาดับไปไม่ได้เวลาถึงเวลาที่เขาจะเสื่อมเขาก็เสื่อมถึงเวลาที่เขาจะดับเขาก็ดับ แต่เราไม่ต้องไปทุกกับเขาก็ได้ถ้าเรารู้ล่วงหน้าไว้ก่อนว่าเขาจะดับเหมือนเวลาเจ้าหน้าที่บ้านเมืองจะดับไฟฟ้าซ่อมไฟฟ้าเขาก็แจ้งมาล่วงหน้าก่อนว่าวันนี้ไฟจะดับตั้งแต่เวลา8โมงถึง5โมงเย็นพอเรารู้ล่วงหน้าเราก็เตรียมตัวไว้พอไฟดับเราก็ไม่เดือดร้อน ถ้าเราไม่รู้เรื่องหน้าแล้วเราไม่ได้เตรียมตัวไว้พอไฟดับขึ้นมาเราจะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาทันทีวุ่นวายใจขึ้นมาทันทีเตรียมตัวจะทำอะไรสักอย่างพอไฟดับเลยทำไม่ได้ก็เลยเกิดความหงุดหงิดเกิดความโกรธขึ้นมาเพราะเกิดความทุกข์ขึ้นมาเพราะเราไม่รู้เรื่องหน้าไว้ก่อนเราไม่เตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อน ถ้าเราเตรียมตัวเตรียมใจแล้วใจเราจะเฉยใจเราจะไม่เดือดร้อนทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ถ้าเราเตรียมตัวเตรียมใจรู้ล่วงหน้าไว้ก่อนว่าอะไรจะเกิดขึ้นเช่นรู้ว่าแฟนจะไปมีไปมีบ้านที่สองบ้านที่สามถ้าเราเตรียมตัวไว้ก่อนพอเหตุการณ์เกิดขึ้นเราก็จะเฉยเฉยเพราะเรารู้ว่ามันต้องเกิด แล้วเราก็ห้ามเขาไม่ได้เขาอยากจะไปมีบ้านก็เรื่องของเขาเราไปทำอะไรเขาไม่ได้อย่างมากเราก็ไปหาบ้านใหม่ของเราก็ได้ถ้าบ้านนี้ไม่อยู่แล้วไม่เป็นสุขก็หาบ้านใหม่ได้ไม่เห็นจะเดือดร้อนอะไรถ้าเราพึ่งตัวเองได้ปัญหาคือเราไม่ชอบพึ่งตัวเองเราชอบพึ่งคนอื่นชอบพึ่งสิ่งอื่นกันเพราะสิ่งที่เราพึ่ง จากเราไปเราก็เดือดร้อนขึ้นมาเช่นไฟฟ้านี่เราก็ต้องพึ่งไฟฟ้าถ้าไฟดับเมื่อไหร่เราก็จะเดือดร้อนกันแต่ถ้าเราไปอยู่แบบภาาปา่าอยู่ในป่าในเขาอยู่ที่ไม่มีไฟฟ้าไฟจะดับหรือไฟไม่ดับไม่เดือดร้อนเพราะไม่ต้องพึ่งไฟฟ้าสมัยก่อนคนโบราณไม่มีไฟฟ้าเขาก็อยู่กันได้ ทำไมเราสมัยนี้จะอยู่กันไม่ได้ถ้าเรารู้จักทำใจรู้จักปรับใจของเราให้รับกับเหตุการณ์ที่เปลี่ยนไปใจของเราจะไม่ทุกข์กันดังนั้นสิ่งที่เราควรที่จะมาทำกันก็คือมาเตรียมใจกันมาซ้อมกันซ้อมอยู่กับการสูญเสียมานิยญาติโยมก็มาซ้อมกับการสูญเสียเงินทอง วันนี้เอาเงินทองไปซื้อข้าวซื้อของแล้วก็เอามาถวายพระเสียเงินไปหลายร้อยบาทแต่ไม่รู้สึกอะไรกลับมีความสุขใจเพราะพร้อมที่จะเสียยินดีที่จะเสียแต่ถ้าไม่ได้ตั้งใจจะมาวัดแล้วเงินที่จะไปซื้อของนี้หล่นหายไปหรือถูกขโมยไปใจจะเดือดร้อนขึ้นมาทันทีจะเสียใจจะโกรธ เพราะไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้ที่จะเสียนั่นเองนี่แหละใจของเราเป็นอย่างนี้ใจเราทุกเพราะว่าเราไม่ได้เตรียมตัวปล่อยวางกันเราไม่รู้หรือเราลืมไปว่าทุกสิ่งทุกอย่างเรามีอยู่ในปัจจุบันนี้ในอนาคตเราจะต้องเสียมันไปหมดไปดูคนตายกันเขาเสียอะไรบ้างคนตาย เขาเสียทรัพสมบัติเข้าของเงินทองเขาเสียสามีเสียภรรยาเสียบุตรเสียธีดาเสียญาติสนิทมิตรสหายเสียบิดามารดาปู่ย่าตายายเขาต้องเสียหมดเลยเราก็เป็นเหมือนกันเราในวันข้างหน้าสักวันหนึ่งเราก็ต้องเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปถ้าเราเตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนเวลา ที่เราเสียเราจะไม่ทุกข์เราจะมีความสุขเหมือนกับวันนี้วันนี้เราเตรียมตัวเตรียมใจที่ยอมเสียเงินก้อนหนึ่งไปพอเสียแล้วแทนที่เราจะมีความทุกข์เรากลับมีความสุขกันนี่คือการมาฝึกฝนอบรมจิตใจให้รู้จักทำใจปล่อยวางยอมสูญเสียสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบไป ถ้าเรายอมแล้วเราจะไม่ทุกเวลาที่เราสูญเสียสิ่งต่างๆไปนี่คือขั้นที่หนึ่งให้เรามาฝึกซ้อมสูญเสียกับสิ่งต่างๆไปอัดทําใจเฉยๆทําอะไรไม่ได้ในเมื่อมันเสียก็ต้องยอมเสียไปขั้นที่สองเราก็มาหยุดอัดทําใจให้อยู่เฉยๆอย่าไปทําบาป เวลาที่เราเกิดอารมณ์ขึ้นมาเวลาเราโกรธใครเราอย่าไปด่าเขาอย่าไปทุบตีเขาอย่าไปฆ่าเขาเพราะถ้าเราทำแล้วแทนที่ใจเราจะสงบใจเรากลับจะทุกข์เพิ่มมากขึ้นไปสู้ยอมทำใจรับกับความทุกข์ที่เรามีอยู่ในปัจจุบันนี้ดีกว่าเช่นถูกคนเข้าด่าถูกคนเข้ากันแกล้ง ถุกคนเขาโกงแล้วเราทำอะไรไม่ได้นอกจากไปฆ่าเขาถ้าเราไปฆ่าเขาเราจะไม่ได้ดับความไม่สบายใจแต่กลับจะเพิ่มความไม่สบายใจให้มีเพิ่มมากขึ้นถ้าเราทำใจยอมรับว่าเป็นสิ่งที่เราห้ามเขาไม่ได้แล้วก็มันเกิดขึ้นแล้วเขาด่าเราแล้ ว, ลวเขาโกงเราแล้ว เราจะทำอย่างไรเราก็ต้องหัดทำใจทำใจให้เฉยๆถ้าเราทำใจเฉยได้เราก็จะไม่เดือดร้อนเราก็จะไม่ทุกข์แล้วเราจะได้ไม่ต้องไปทําบาปไปสร้างเวรสร้างกรรมถ้าเราหยุดไม่ได้เราไปว่าเขาเดี๋ยวเขาก็กลับมาว่าเราเราไปตีเขาเขาก็จะกลับมาตีเรา เราไปฆ่าเขาเขาก็จะกลับมาฆ่าเราแล้วตายไปก็ต้องไปนรกด้วยกันอันนี้ไม่ใช่วิธีที่จะดับความทุกข์ใจไม่ใช่วิธีที่จะสร้างความสุขใจวิธีที่จะสร้างความสุขใจก็คือต้องให้อภัยต้องยกโทษให้กับเขาให้คิดเสียว่าเป็นการใช้หนี้เก่าก็แล้วกัน เราคงไปว่าเขามาหรือไปทําอะไรให้เขาไม่พอใจเขาจึงต้องกลับมาทําเราเพราะโดยปกติคนเหล่านี้จะไม่ไปทําอะไรกับใครไม่ไปว่าไม่ไปตีใครถ้าไม่ถูกว่าก่อนไม่ถูกตีก่อนดังนั้นถ้าเราไปทําอะไรให้เขาเสียหายเขามาว่าเรามาตีเราเราก็ใช้นี่ไปก็แล้วกันผัดกัน เขาว่าเราหน <ed> เราว่าเร า, เราว่าเขาหนจบถ้าเรานิ่งๆเดี๋ยวเขาว่าเราเสร็จแล้วเขาก็ไปถ้าเขาตีเราเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาก็ไปถ้าเราไม่รู้จะทําอย่างไรก็ให้ทําอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนให้คิดว่าเวลาใครไม่ชอบเราก็ให้คิดว่าดีแล้วที่เขายังไม่ด่าเราเวลาใครเขาด่าเราก็ให้คิดว่าดีแล้ว เขายังไม่ตีเราถ้าเขาตีเราก็คิดว่าดีแล้วเขายังไม่ฆ่าเราถ้าเขาฆ่าเราก็ดีแล้วจะได้หมดทุกข์ทันทีอยู่ไปก็ทุกข์ไปเปล่าๆชีวิตของพวกเรานี้มีแต่ความทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นแล้วไม่ช้าก็เร็วก็ต้องตายอยู่ดีดีจะได้ไปเกิดในสวรรค์ต่อไปถ้าเราไม่ทําบาปเราไม่ไปตอบโต้เขาไม่ไปทาร้ายเขา เวลาเขาฆ่าเราเราไม่ไปนรกเราจะไปสวรรค์แต่ถ้าเขาว่าเราเราก็ว่าเขาเขาตีเราเราก็ตีเขาเขาจะฆ่าเราเราก็ฆ่าเขาเวลาเราตายเราก็ไปนรกคิดดูจะเอาอย่างไรจะไปสวรรค์ดีหรือไปนรกดีอยู่ที่การกระทําของเราถ้าเราไม่ทําบาปเราจะไม่ไปนรก ถ้าเราไม่ฆ่าไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดตเวณีไม่พูดปดไม่เสพสวรายาเมาเวลาเราตายไปเราจะไม่ไปเกิดในอบายไม่ไปเกิดเป็นเดรัจฉานไม่ไปเกิดเป็นเปรตไม่ไปเกิดเป็นอสุรกายไม่ไปตกนรกเพราะเราไม่ได้ทำบาปผู้ใดทำบาปผู้นั้นก็จะต้องไปเกิดตามบาปที่ตนเองได้ทำไว้ นี่แหละคือสิ่งที่เราควรที่จะขัดมาศึกษาแล้วมาทำใจมาซ้อมกันมาถือศีลกันศีลห้านี้จะปกป้องไม่ให้พวกเราต้องไปเกิดนัยบายถ้าเรารักษาศีล ห, ห้าได้เวลาตายไปเราถ้าไม่ได้ไปสวรรค์ก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์นะไม่ต้องไปเกิดนัยบาย นี่เป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมจะเชื่อหรือไม่เชื่อมันก็เป็นอย่างนั้นเทพพุทธเจ้าทรงตัดสรู้กฎแห่งกรรมนี้เองทรงรู้ว่าการกระทําของเรานี่แหละที่เป็นผู้ที่จะส่งให้เราไปเกิดในภพสูงภพต่าําอย่างที่เรามาเกิดในครั้งนี้เป็นมนุษย์ในครั้งนี้พวกเราก็มีความแตกต่างกัน พอเราทำบุญทำบาปมาไม่เท่ากันบางคนทำบุญมากก็จะมีฐานะที่ดีกว่ามีอามีการเงินการทองที่ดีกว่ามีรูปร่างหน้าตาที่สวยงามกว่ามีผิวพรรณผ่องใสกว่ามีอายุยืนยาวนานกว่ามีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงกว่ามีอาการครบสาสบสอง นี่เป็นผลที่เกิดจากการทำบุญถ้าทำบาปเวลากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะมีรูปร่างหน้าตาไม่สวยงามผิวพรรณไม่ผ่องใสฐ า, านะการเงินไม่ดีสุขภาพไม่แข็งแรงสมบูรณ์อายุไม่ยืนยาวน า, นานนี่แหละคือความแตกต่างของพวกเราทั้งๆ ท, ท, ที่มาเกิดเป็นมนุษย์เหมือนกันและเกิดในครอบครัวเดียวกันเสียด้วยซ้าไป เกิดกับพ่อแม่คนเดียวกันแต่ทำไมจึงมีความแตกต่างกันก็เพราะว่าเราทำบุญทำบาปมาแตกต่างกันในอดีตนั่นเองแล้วผลของบุญบาปนี่แหละที่ทำให้เรามีความแตกต่างกันทำไมคนเราบางคนเกิดมาแล้วต้องไปดื่มโซดาต้องไปเที่ยวต้องไปเล่นการพนันก็เป็นเพราะว่าเขาเคยทำอย่างนี้มาในอดีต ทำแล้วมันก็จะติดเป็นนิสัยมาด้วยเพราะว่าใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายนิสัยก็ไม่ได้อยู่ที่ร่างกายนิสัยอยู่ที่ใจชอบทำอะไรเวลากลับมาเกิดใหม่ก็จะมาทำอย่างนั้นต่อถ้าชอบทำบุญก็จะกลับมาทำบุญต่อชอบรักษาศีลก็จะกลับมารักษาศีลต่อชอบบวชก็จะกลับมาบวชต่อของพวกนี้ไม่ต้องบังคับ มันติดเป็นนิสัยของแต่ละคนมาชอบทำบาปก็จะมาทำบาปต่อชอบดื่มสุราก็จะดื่มสุราต่อแต่ของพวกนี้เราเปลี่ยนได้เราแก้ได้ถ้าเรารู้ว่าสิ่งใดที่เราทำแล้วไม่ดีนำโทษมาให้กับเรานำทุกมาให้กับเราเราก็ฝืนบังคับใจได้เช่นชอบดื่มสรุราเราก็บังคับ ตัวเองไม่ให้ดื่มโุราได้เวลาอยากจะดื่มโุราก็อย่าไปดืม่มหรือถ้าว่าทําไม่ได้ก็ไปอยู่ที่ไม่มีคนก็ดื่มโุราไปอยู่ที่ไม่มีสุราขายเช่นไปอยู่วัดคนที่อยากจะเลิกดื่มโุราถ้าไปบวชสักสามเดือนสึกลับมาก็จะเลิกดื่มโุราได้อันนี้เป็นสิ่งที่เราทําได้ เช่นเดียวกับถ้าเราไม่ชอบทำบุญเราก็บังคับตัวเราให้ทำบุญได้ถ้าเราไม่ชอบปฏิบัติธรรมไม่ชอบฟังเทศน์ฟังธรรมเราก็บังคับให้ทำได้ถ้าเรารู้ว่าทำแล้วมีคุณมีประโยชน์กับเราพอเราต้องรู้ผลของสิ่งที่เรากระทำกันว่าทำแล้วเกิดคุณหรือเกิดโทษ ถ้าเรารู้ว่าเกิดโทษเราก็จะไม่ทำเช่นเวลาเรารับประทานอาหารชนิดใดชนิดหนึ่งแล้วทำให้เราเกิดท้องเสียขึ้นมาเราถ้าเรารู้ว่าอาหารชนิดนี้กินแล้วจะทำให้ท้องเสียเราจะกล้ากินอีกหรือไม่เช่นถ้าเราไปกินยาถ่ายอย่างนี้เราจะกล้ากินหรือไม่ถ้าเราไม่รู้ถ้าเรารู้เราก็จะไม่กล้ากินนี่แหละคือเราต้องมาศึกษา มาฟังเทศฟังธรรมจากผู้รู้อย่างพระพุทธเจ้าการมาฟังธรรมกันนี้เป็นการมาศึกษาเพื่อเราจะได้รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรดีอะไรชั่วอะไรทำให้เราสุขให้เราเจริญอะไรทำให้เราทุกข์อะไรทำให้เราเสื่อมเสียก็คือการกระทำของเรานี่เองการกระทำทางกายทางวาจาทางใจนี่แหละ ที่จะทำให้เราสุขหรือเราทุกข์ทำให้เราเจริญหรือเราเสือ่อมอย่างนั้นเราต้องพยายามศึกษาฟังเทศฟังมธรรมอยู่เรื่อยๆพอเรารู้ว่าการกระทำอย่างไรเป็นการกระทำที่ทำให้เราสุขให้เราเจริญให้เราร่ำให้เรารวยเราก็ทำอย่างนั้นเช่นการร่ำรวยนี้ทำอย่างไรก็ต้องขยันทามาหากินขยันหาเงินหาทอ แล้วก็ต้องขี้เกียจใช้เงินใช้ทองถ้าขยันใช้เงินใช้ทองขี้เกียจหาเงินหาทองชาตินี้จะไม่มีวันรวยได้แต่ถ้าขยันหาเงินขี้เกียจใช้เงินหามาได้เท่าไหร่ก็เก็บไว้เก็บไว้หรือเอาไปลงทุนขยายกิจการต่อไปก็จะร่มจะรวยเองลองไปศึกษาชีวประวัติของมหาเศรษฐีในเมืองไทยดู บางคนก็มาจากประเทศจีนด้วยเสือใบหมอนใบไม่มีอะไรติดตัวมาแต่มีความขยันขยันที่จะหาเงินขยันที่จะเก็บเงินทำงานทั้งปีปีหนึ่งอาจจะหยุดแค่สองสามวันเท่านั้นก็นอย่างนี้แหละที่ทำให้เขาร่อมรวยขึ้นมาได้ถ้าเป็นพวกที่หามาได้เท่าไหร่ก็ใช้มันหมดเงินเดือนออก มันยังไม่ทันสิ้นเดือนเงินก็หมดแล้วไปเป็นหนี้ไปไปกู่หนี้ยืมสินเสียแล้วพอเงินเดือนใหม่ออกมาก็ไม่มีเงินใช้เพราะต้องไปใช้ใช้หนี้ก่าเพราะไม่รู้จักหักห้ามจิตใจไม่ให้ไปใช้เงินใช้ทองโดยที่ไม่จําเป็นเงินทองที่จําเป็นที่ต้องใช้ก็มีแค่เสื้ออาหารเท่านั้นเองเสื้อผ้าก็มีพอแล้วบ้านก็มีอยู่แล้ว โรคภัยไข้เจ็บก็นานๆจะเป็นสักครั้งหนึ่งแล้วเราจะเสียเงินเสียทองไปกับสิ่งอื่นๆทำไมเสียไปแล้วแล้วได้อะไรกลับคืนมาไม่ได้อะไรไปเที่ยวแล้วกลับมาบ้านความสุขที่ได้ไปเที่ยวมาก็หมดไปไปดูหนังฟังเพลงไปทาอะไรกลับมาความสุขเหล่านั้นก็หายไปหมดแล้วทำให้อยู่บ้านไม่ได้อยู่ไม่ติดบ้านต้องออกไปเที่ยวอยู่เรื่อย ต้องไปดูไปฟังอยู่เรื่อยๆทุกครั้งที่ออกไปก็ต้องใช้เงินไม่ได้เงินกลับมาแทนที่จะออกไปทำงานหาเงินกับออกไปใช้เงินแล้วเงินมันจะมีเหลือให้ใช้ต่อไปได้อย่างไรนี่แหละคือเหตุของความร่ำรวยหรือความยากจนอยู่ที่ตัวเราเองอยู่ที่ว่าเราขยันหาเงินที่เกียรติใช้เงิน หรือว่าเราขยันใช้เงินขี้เกียจหาเงินเท่านั้นเองนี่แหละเรียกว่ากฎแห่งกรรมกรรมก็คือการกระทําของเราทางกายทางวาจาและทางใจถ้าเรามีความรู้ของพระพุทธเจ้าอยู่ในใจใจเราก็จะคิดแต่ทํางานหาเงินหาทองเก็บเงินเก็บทองไม่ใช้เงินใช้ทองใช้เท่าที่จำเป็น ต่อไปไม่นานหปีส0ปีก็กลายเป็นเศรษฐีขึ้นมาได้แล้วพอเป็นเศรษฐีแล้วที่นี่อยากจะซื้ออะไรก็ซื้อได้มีเหลือเฟือใช้เท่าไหร่ก็ไม่มีวันหมดดังนั้นก่อนที่เราจะใช้เงินใช้ทองแบบไม่มีขอบไม่มีเขตไม่มีเหตุไม่มีผลเราต้องสร้างตัวเราเองให้เป็นมหาเศรษฐีขึ้นมาก่อนพอเป็นมหาเศรษฐีแล้วจะใช้อย่างไรก็ไม่มีวันหมด นี่แหละคือเรื่องของการมีความรู้การจะมีความรู้ได้ก็ต้องศึกษาจากผู้รู้ผู้รู้ที่รู้มากที่สุดที่เก่งที่สุดที่ฉลาดที่สุดก็คือพระพุทธเจ้าคือพระธรรมคำสอนพระ อ, อริยสงสารเราจึงควรเข้ามาวัดอยู่เรื่อยๆมาศึกษามาฟังเทศฟังธรรมเพื่อที่เราจะได้ มีน้ำไม่คอยดับไฟที่เกิดจากความทุกข์ที่เราสร้างกันขึ้นมาเองพอเรามีธรรมะมีน้ำดับไฟแล้วเราทําใจของเราให้อยู่เฉยๆได้แล้วเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาเราจะไม่เดือดร้อนใครตายไปเราก็ไม่เดือดร้อนเราจะสูญเสียอะไรไปเราก็ไม่เดือดร้อนเราเสียไปแล้วหาใหม่ได้จากใดที่เรายังมีชีวิตอยู่ นี่แหละคือการมาวัดเพื่อมาเตรียมน้ำดับไฟที่จะเกิดขึ้นในอนาคตถ้าเราทำทานได้รักษาศีลได้ปฏิบัติธรรมได้ฟังเทศฟังธรรมได้เราจะมีมีน้ำไม่คอยดับไฟดับภามทุกข์ภาย ใ, ในใจของเราที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอน